พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติเห็นผลแล้วจึงเชื่อวันนี้เป็นวันที่21 พฤษภาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานเป็นวันวิสาขาบูชาวันที่20รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาวัดล้นหลามแต่เมืม่อคืนนี่ก็มากอยู่นะประทักษิณรอบสลาใหญ่ของเราแห่งนี้แต่ลวงพ่อนะรู้สึกว่า อ่อนเพลียนเหนื่อยพอสมควรพอมือเช้ากว่าพี่น้องประชาชนก็มากตอนเที่ยงก็พระสงฆ์โลงโบสด49รูปตอนเย็นก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยมามาไหว้พระกล่าวคำสักการะในวันวิสาขาบูชาเามื่อคืนหลวงพอ่เอเมื่อวานหลวงพ่อทำ หน้าที่เกินกว่าเกินกว่าหน้าที่นะลุงพ่อพปอได้พ่อลุงพ่ อ, พอยู่มากแล้วลูกหลานใช้รถโคโลโกโซ่เราจะไปใช้วิ่งตะพัดะเพือนะไม่ไหวล่ะ เ, เดี๋ยวพังได้ง่ายๆแต่ถึงยังไงก็ใช้เท่าที่มันจะใช้ได้แต่วันนีพ้พระทั้งหมดสี่สิบสี่ ลงวันนี้ลงมองมองพระเบาตาบอกว่าพระลงมาฉัน28รูปทั้งหมดพระไม่ลงมาฉัน16รูปคงจะเมื่อคืนหลวงพ่อบอกให้พระประกอบความเพียรมาเป็นปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธเจ้าใครจะเดินยังกลมใครจะนั่งภาวนาถือเนชชชใครเข้าว่าไม่นอนตลอดคืนท ด, ดลองแลยจ การมาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีหนักมีเบาไม่ใช่วันไหนก็วันเก่าวันไหนที่จะเร่งความภาคเพียรเราก็ทดลองดูครูบาอาจารย์ท่านไม่นอนทั้งสมเดือนเป็นยังไงอนอนอเราไม่นอนคืนเดียวนะ่ะเป็นไรหรือสองสามคืนเป็นไรหรือเราอดอาหารเป็นยังไง่ ล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบทดลองทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ทดสอบสอบทดลอง เ, อเราไม่การไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเวันไหนกั ว, วันเก่าเราจะเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้อยู่แนวหน้าได้อย่างไรผู้อยู่แนวหน้ามันต้องอรักษาทั้งพระวินัยลัก รักษาทั้งศีลและวินัยรักษากฎระเบียบรักษาทางด้านจิตใจด้วยต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้เป็นผู้นำเราก็จะได้เอาสิ่งที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาอย่างไรเอามาขยายผลให้ศรัทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของตนเองได้ยินได้ฟัง ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความอ่อนแอปวกเปียกมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเขาจะเป็นตัวอย่างได้อย่างไรอันนี้ก่อนเนี่ยพระของเราทุกองนะอันนี้คือให้พวกเราเข้มแข็งเราจะทํำยังไงเราจะอดอาหารยังไงเราจะภาวนาปฏิบัติอย่างไรสําหรับหลวงพ่อเองผู้ที่อยู่ใกล้ก็เหมือนกันใกล้ชิดหลวงพ่อก็รู้จักวิธีการแบ่งงาน แต่ตัวเองจะภาวน า, าก็บอกให้หมูทําหน้าที่แทน เ, เหมือนกับหลวงพ่ออยู่ที่วัดปา่าบ้านตาดคุม้มกันเวลาเราจะไปทำไปภาวน า, เ, าเราก็ต้องบอกให้คนอื่นหน้าทําหน้าที่แทนเร า, เ, าเราก็อยู่เบื้องหลังคอยกํากับ เ, เราก็ภาวนาเรื่องจิตภาวนาถือว่าเป็นจุดจําเป็นสําคัญถ้าหากว่าพระเนนองค์ใดก็ตาม ทรัทธาญาติโยมผู้ใดก็ตามถ้าหมดกำลังใจกาลังใจอ่อนแอปวกเปียกใจไม่สู้เสียอย่างเดียวเท่านั้น เ, เสียหมดทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะใจไม่สู้นะเราต้องปลุกใจให้สู้สู้จนถึงที่สุดสู้ในทางที่ถูกต้องอันไหนที่ถูกต้องเราต้องสู้เราต้องทำต่อพตชปฏิบัติให้อยู่ในกรอบ สิ่งไหนไม่ได้สิ่งเดที่มันถูกต้องไม่เป็นธรรมอย่าทำรู้ไหมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องรู้ไหมที่มันผิดศีลหรือวินยัยรู้ไหมผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมรู้ไหมเนี่ยถ้าว่ารู้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่ควรจะทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออทำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมนี่แหละ อันนี้ให้พวกเราตรวจตราดูตัวของพวกเราทุกๆท่านทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองเอพวกเราขี้เกียจขี้คลานขนาดไหนพวกเราอ่อนแอขนาดไหนพวกเรา เ, เห็นแก่หลับแกนอนขนาดไหนพวกเราเไม่สู้จิตใจอ่อนปว ก, กเปียกขนาดไหนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นให ดูดูตัวของเรานะคณัระทายญาติโยมลูกหลานแต่ลุงพอ่อมึ่วันที่ตั้งแต่วันที่4ีนั้นลูกหลานที่สีที่5จนถึงวันที่สิบหกในวันที่21่สอ็ดนลุงพ่อไปอินโดอยากจัดเรียนให้ลูกหลานได้ทราบแต่ลุงพ่อพูดอะไรล่ะพูดครั้งหนึ่งเป็นพูดเป็นภาษาอีสานและเขาพูดที่วัดคุณไม่ชี เขพูดให้ฟังนิดหน่อยแต่เรียงลําดับมาเนี่ยหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างแต่หลวงพ่อไม่ได้ผักผูกใจว่าไปแล้วก็ได้จะตุปัจจัยหรือว่าไปเห็นบ้านเมืองของเขาไม่ใช่หลวงพ่อไปเห็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทพี่น้องชาวอินโดที่เขาได้ครอบงํำจาก ลัทธิอื่น เ, เดี๋ยวีเขากำลังพวกที่จะถึงจะเป็นชนกลุ่มน้อยกว่าจริงแต่พอเห็นครูบาอาจารย์พระ ส, สงฆ์อย่างหลวงพ่อไปเนะี่ยโอ้เหมือนกับ เ, เห็นญาติพี่น้องเก่าแก่ดึกดำบันที่ไปเจอกันลักษณะอย่างนั้นแแต่ก็เห็นวิธีการศ า, นาสานาพิธีของเขาเรู้สึกว่าเขาพร้อมเพียงพร้อมเพียงกัน อย่างอาราธนาศินหลวงพ่อยกแล้วยกอีกอาราธนาศินเขาพูดพร้อมกันจะเป็นอุอโบสถศินก็เถอะหรือสินห้าก็หรืออาราธนาธรรมอาราธนาเทศอาราธนาพระปริศหรือว่าเชิญเทวดาสมันตาจักรวาเลสุขเขาจะพูดพร้อมกันคนเป็นร้อยเป็ดพันนะแต่คราอย่างเมืองไทยของเรา อาราธนาศิญก์หัวหน้าพานำมวนำ ม, มานำพูดจบแล้วก็พระก็ให้สิญจากนั้นก็อาราธนาเทศก็เหมือนกันหัวหน้าเป็นผู้นําจากนั้นกับพระโกะเทศสัมมันตาเนี่ยมันยาวโยมพูดไม่ได้เพราะมันยาวเอาให้พระเป็นคนพูดเป็นคนเชิญเทวดาเนี่ยอันนี้คือเมืองไทยของเราที่เห็นเห็นกันแต่ อินโดที่หลวงพ่อไปเห็นเออเขาทำดีวะน่าจะนำมาใช้ที่เมืองไทยของเราเวลาอาราธนาศีลนะพูดพร้อมกันทั้งหมดนะามายังพันเตติสรเนนทสาหานะ์ปัญญศซลานิยาจามานะทุติยมปิตาติยมปินพูดเป็นให้เข้ากันได้นี่แหละเวลา ทายกผู้นําไม่มาเนยะพวกเราก็พูดได้ป้วยอไรเพราะมันพูดได้ด้วยกันทุกคนอาราธนาธรรมก็เหมือนกันพมมาเจโลกาก็เหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อไปเห็นแลเออน่าจะนํามาใช้ในเมืองไทยะสมันตาจักรวาเรสุ ก, ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีแต่พระเป็นคนพูดเวลาอาราธนาพระประเรจบแล้วเพราะมันยาวโยมพูดไม่ได้ แต่นี้ทางอินโดนเขพูดนะพร้อมกันทั้งหมดเลยลุงพ่อว่าทุกต้องเพราะสมันตาก็คือความแปลและความหมายของสมันตาน่ก็คือพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ฟังพระปริตะมงคลที่เป็นมงคลของงานที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าขอเชิญภูมิลุคเทวดาคดนาคอินพรหม เทวดาทุกภูมิทุกชั้นภูมิโปรดได้มาร่วมฟังพระปริตะมงคลในขราวนี้ครั้งนี้กับผงข้าไปเจ้าด้วยเทินลักษณะอย่างนั้นะความแปลนะเออจะนี้าจาตโยมพูดไม่ได้ให้พระหลวงพ่อพระเป็นผู้แปลนั่นคือแขกเชิญ แ, แขกแขกเชิญแขกทไมจะว่าแขกเชิญแขกคือพระกับเป็นกิจญาติโยมไมนตไปไปในงาน พอไปถึงแล้วกใจไม่หาหาคนเชิญไม่ได้ก็เอาพระเป็นคนเชิญสแสดงว่าเชิญ เ, เชิญแขกมาในงานแลยกัเจ้าภาพทำอะไรไม่ได้พูดไม่เป็นก็เลยให้แขกเป็นผู้เชิญแขกลุงพ่อว่าน่ามไม่น่าจะถูกน่าจะเป็นเจ้าภาพเป็นผู้เชิญเรียนพิธีการเชิญอันนี้ก็คือที่ลุงพ่อได้ไปพบไปเจอไปเห็นแล้วกันวิธีการของเขา หลวงพ่อวานน่าจะนำมาใช้ในเมืองไทยของเราแล้หลวงพ่อไปข่าวนี่ก็ไปพักที่วัดสังฆเมตตาอารามะบันโดนบันตอนจงเมืองบอกอจังหวัดชวาตะวันตก อ, อันนี้ก็คือเขาถวายที่ดินถวายเสนาสะนะให้หลวงพ่อไปรับ ถวายเป็นวัดของหลวงพ่อแต่เป็นของหลวงตานะเขาสร้างเพื่ออุทิศหลวงตาแต่แต่เห็นว่าหลวงพ่อที่เป็นผู้ไปรับได้เป็นผู้ไปดําเนินการได้กันขอนีมนฑ์หลวงพ่อถวายหลวงพ่อที่ประมาณสองไร่กว่าเสนาสนะครบนะกุฏิเล็กๆที่เขาทําหาหกหลังกัมีศาลาใหญ่ด้วยเจ้าภาพสอง สามีภรรยาชื่อคุณคุณเฮนรี่กับคุณเฮนรีคือเอฟฟ้าแม่บ้านเอฟฟาภาษาอินโดแต่เขาบอกว่าเขาศึกษาปฏิปทาขององค์หลวงตาประวัติปกองหลวงตาศึกษาอยู่ตลอดกีดว่าเขาจะมาจะมาจะมาจะไป ก็มากราบองค์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบัานตาดแต่เขาก็ไม่ได้มาเพราะมันมีอุปสรรคติดขัดข้องผลสิบผลที่สุดของหลวงตาก็เลยจุดตินิราผ่านพอจุดตินิราผ่านไปแล้วเขาก็เลยมามาในงานจบของหลวงตาพอมาเห็นโอ้ซึ้งซึ้งอกซึ้งใจ เ, เห็นคู่คนได้กราบสันนิลสังขารของหลวงตาพอกราบไปโห้ เราเนี่ยเขาเขาถามนะว่าเราเนี่ยองค์หลวงตากับพลาดไปแล้วเราก็ไม่ได้เจอหลวงตามหาบัวแต่เราคงจะพลาดไอ้เป็นครั้งที่สองคงไม่ได้เราควรจะสร้างวัดขึ้นมายังไงก็ขอใอนมลเครือข่ายสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ขององค์หลวงตาเข้ามาโปรดเพต่อตาจากนั้นเขากลับไปเขาสร้างเองเลยเลยสร้างซื้อที่ดินสองไร่สมัย เ่อางนอกก็ไม่ใช่ของถูกเหมือนกันใช่กว่าจะสร้างได้หมดเกินไปเยอะเหมือนกันเขาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาพอสร้างเสร็จแล้วเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปไปรับหลวงพ่อก็เออทํำยังไงเอารับก็รับไปหลวงพ่อเออเอาองค์ไหนจะมาอยู่ทางบ้านตาตจะไปอยู่หรือพระองค์ไหนจะไปอยู่ก็ไปอยู่ได้นะแต่ถึงอย่างไงก็ให้เลือกพระนะเพราะว่าเคยมี โมนิทิของอยู่กรุงเทพโมนิทิหลวงปู่ที่โลงตารับไว้เป็นอุปถัมภ์พอรับเสร็จแล้วเนีลงตาก็ไม่ได้ไปอยู่ผลที้สู่กับพระโคโลโคโศไปอยูอ่ทำอะไรก็ใหม่สาบเสียหายหมดจนโลงตาสั่งประ h e t ไล่ออกให้พระออกจากาสํานักแห่งนั้นดูรู้มากัเหลือเกินจริงๆนะทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ขนเขามา ผลี่สุดยังเอาปลาที่เป็นเป็นมาขังไว้ในในห้องอีกมาต้มปลากินตํากับส้มละกออีกโอ้หลวงพ่อได้ยินนสรดหดหูเนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกกับเขาเหมือนกันนะถ้าหาว่าพระไม่ดีกับพวกท่านทั้งหลายประชุมกันแล้วให้ออกอันนี้เป็นวัดของหลวงพ่อแล้วนะ หลวงพ่อจะต้องส่งเสริมพระที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพระอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยค่อยมาอยู่จึงจะเป็นเนื้อนาบุญแต่พระโคโลโกโศไม่มีศีลไม่มีวินยัยไม่มีกฎระเบียบ ม, ม, ม, มาอยู่มิจะเสียหายเหมือนกับส่งเสริมโจรป้นศาสนาอีกต่างหากมันไม่ใช่ธรรมดานะท้านเราส่งเสริมพระที่ม่อยู่ในกรอบของศีลธรรม เหมือนกับส่งเสริมโจรห้าร้อยอีกต่างหากเนะพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดอีกเหมือนกันนะพระไม่ใช่ว่าเราจะให้พระบริสุทธิ์ผุดพองทุกองคไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทีงไงก็ให้อยู่ในหลักพระวินยัยให้มีศีล2องรอยี่สิถ้ามันขาดก็จะให้มันขาดจนเกินไปจนขาดคารวะก็ทําไม่ได้อพระยังทํากล้าทําได้นะ อ, อ, อันนั้นใช้ไม่ได้หลวงพ่อว่านะ เนี่ยะหลวงพ่อก็ให้คำแนะนำวัดประเทศอินโดนีเซียที่หลวงพ่อรับเป็นเจ้าภาพจากนั้นก็หลวงพ่อไป เ, เมืองสุลาบายา แ, แสดงเขาคนในมนต์เทศอยู่ที่นั่นอีกนะจากนั้นก็ได้ไปวัดธรรมทีปะอารามะ เ, เมืองบาหลังจังหวัดชวาตะวันออก ตะ ว, วันตกแล้วจะไปตะ ว, วันออกได้แตนี่ยอย่เกาะมันใหญ่แล้วเกิด้นั่งเครื่องบินข้ามไปอีกนะจากนั้นก็กลับมาพักที่จาการตารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมากนะลูกหลานนะไปที่ไหนรู้สึกโอ้อบอุ่นแต่ว่าวันเขาจะจัดงานวันวิสาขาบูชาเขาจัดทั้งเดือนเลยนะในประเทศเขาจัดในสวนสาธ า, ารณะอย่าง สวนลมอย่างนั้น่ะหรือสวนหลวงอย่างนั้นติดกรุงจาการตาก็จัด เ, เป็นสถานที่สักการบูชามีอธิบดีมีอธิบดีกรมการศาสนาหลวงพ่อไป แ, แวะเขาที่ว่าแวะเาแต่เขาก็ใส่ใจนะลุมกันม า, อาโอ้ยยืนสองข้างทางต้อนรับเห็นแล้วก็ อ, อบอุ่นมีท่านอธิบดีหลวงพอ่อ ไปที่แรกก็คิดว่าจะไม่พูดอะไรมากเพราะมันตอนเที่ยงมันร้อนๆแต่เห็นพี่น้องประชาชนเขาใส่ใจสนใจจริงๆนี่นะอันนี้ก็คือรูดเล่าให้ลูกหลานได้ฟังไปต่างถิ่นต่างแดนเขาก็อยากจะได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะลูกหลานนะจากนั้นก็ไปพุทธเมตตาเป็นวัดเจ้าคุณหลวงปู่วิน ไปจากวัดบว ร, บรนิเวศนะไปสร้างวัดอินโดนีเซียเป็นวัดแรกนะวัดหลวงปู่วินจากนั้นหลวงพ่อมาพักที่ไหนพอมันกบคนเต็มอีกเหมือนกันอนี่มลหลวงพ่อแสดงธรรมพอมาถึงก็เอาขึ้นธรรมมาศแล้วเหมืนกันแตหลวงพ่อเกิดบอกกล่าวแนะนํานี่ยที่จะให้พวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อไปคราวนี้นะหลวงพ่อเองจะแนะนําแนวปฏิปทาของ วิธีการนะวิธีการสอนไปคราวนีนะ้สอนแนวทางภาวนาของหลวงปูมงป่มั่นสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาแต่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอาหลวงปู่มั่นมาข่มคู่สายอื่นไม่ใช่นะอันนี้เป็นทางเลือกทางเลือกทางหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ที่เราได้ศึกษาดูแล้วเนะี่ยท่านเดินสมถะอย่างไรเรื่องศีลอย่างไรเรื่องวินัยอย่างไรสมรถะอย่างไรวิปัสสนาอย่างไ ร, นยยงไรจนเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปอธิธาานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละก็คืออธิธฐานหรือ ก, กระดูกเรื่องอธิธฐานของพระอรหันต์อันนี้ก็คื อ, อแนวแถวสายลงปูมันแต่สายอื่นหลวงพ่อไม่ได้ประมาท แต่โดยมากมีแต่สมัทําทำจิตใจให้สงบนิ่งนั่นแหล ะ, ละับเป็นพื้นฐานนั้นแห ล, ละคือวิปัสสนาทางพ้นทุกข์แต่ว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวบอกว่ า, าการทำที่จิตใจให้สงบเป็นสมาธินั่นคือสมัท t h สมัทและจะเกิดเป็นวิปัสสนาเองไม่มีทางต้องศึกษานี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของ หลวงปู่มั่นที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนสิทธิจุดนี้หาฟังได้ยากนอกจากแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านาได้แนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ของท่านแต่หลวงพ่อไปฟังฟังมาหลายหลายหลายห ล, ล, ล, ลายสายนะโดยมากพิธธรรมจิตใจให้สงบจะมากกว่าเรื่องวิปัสสนาสอนกันน้อยมากแต่พ่อเขาพูดกันว่า จังหงบนั่นแหะคือวิปัสนาแต่ตามไม่เชิงไม่ใช่นะลูกหลานนะอันนี้ต้องศึกษานะนี่แหละลุงพ่อไปคราวนี้ก็ไปแนะนําบอกกล่าวเรื่องวิธีการปฏิบัติแต่เขากลบฟังดีนะแต่ลุงพ่อก็บอกว่าวิธีการหาเงินไม่ใช่ว่าหาแบบเดียวกันทุกคนก็จะให้ขายน้ํามันในปั๊มอย่างเดียวไม่ใช่ขายของชําก็มี ทำมาค้าขายอย่างอื่นมีต่งเยอะแยะวิธีการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่อันไหนถูกกับจริตของใครได้เงินการได้เงินนั่นแหละคือผลของงานนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันจะภาวนาอะไรจะเป็นนิกายไหนมาสั่งสอนเราก็ฟังแต่ผลออกมานั้นมันถึงจุดไหนจุดนั้นเราต้องศึกษาขนาดพระพุทธเจ้า ท่านไปบำเพ็ญอยู่ตามลําพัง เ, เมื่อเดิน6เพนนะเท่านยังไปศึกษากับด า, าราบทอุตกระดาบทพ่อไปศึกษาไปแล้วไม่ใช่ทางนะนะเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ศึกษานะไปศึกษาไม่ยังไม่ใช่ทางยังไม่ถึงจุดที่ตัวเองต้องการาจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ออกจากท่านดาบททั้งสองมาบําเพ็ญโดยพระ อ, องค์เองจากนั้นท่านพระ อ, องค์พระ อ, องค์จะได้บําเพ็ญทางด้านจิตใจ พอจิตใจสงบแล้วก่อนนะใช้มรรคแปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นธรรมาธรรมทิฏฐิเป็นประโยชน์สารจนท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละหลวงพ่อไปหลายแห่งนะหลวงลงลูกหลานนะแล้วก็ไปที่โรงแรมเขาจัดที่โรงแรมอีกคนเป็นหลายพันคนทุกระดับ คนที่นับถือพุทธศาสนามาใส่บาตรแล้วก็มาฟังแต่เห็นว่าเขาฟังฟังเทศน์้วฟังฟังดีนะเน้เห็นแล้วโอ้ประเทศอินโดที่เห็นเห็นแล้วหลวงพอ่อไปเห็นแล้วน่ น, น ะ, ะต่อไปภายพระ้าคงจะยืดยาวพูดง่ายๆถ้าว่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้เห็นแต่แนวแน ว, แนวทางไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะ โดยมากมีแต่คนหนุ่มสาวทั้งนั้นโดยมากนะคนแก่ก็มีอายุแต่ไม่มากแต่คนสามสิสี่สิบปีเนี่ยแหละรุ่นนี้แหละที่เข้ามาศึกษาหลวงพ่อเออคนรุ่นนี้เนี่ยต่อไปก็คงจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเหตุผลนะลูกหลานนะเนี่ยอย่างหลวงพ่อเห็นลูกหลานมาวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเห็นเป็นคนหนุ่มเป็นส่วนมากหลวงพ่ออือพวกเราเนี่ยนะต้องอยู่ในหลักเหตุผล อย่าไปเชื่อง่ายเออแล้วก็ น, นำเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, นำไปปฏิบัติในเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วนั่นแหละเอ่ออยากจะเชื่อจะค่อยเชื่อท่นี้เออไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะผลที่สุดก็นั้นนะ่ะสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เชื่อง่ายๆนะเออท่านให้ใช้สติใช้ปัญญาทุกอย่างเออคือปัญญาเต้ ปัญญาคำนี้ก็เป็นปัญญาสองดาบสองคมเหมือนกันปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือปัญญามิจฉาทิฐิเอ่อขันติคือความอดทนอดทนไปในทางชั่วหรืออดทนไปในทางดีเอ่อวิริยะเพียนไปทางชั่วหรือเพียนไปทางดีเออสัจจะตั้งสัจจะไปทางชั่วหรือทัดสัสัจจะไปทางดีมันสัมปยุตัด้วยปัญญาทั้งหมดะลูกลานนะเออปัญญาคำนี้คือเราจะหาได้ที่ไหน ต้องหาได้จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาพอศึกษาไปนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรแล้วก็มาเปรียบเทียบดูเท่เนี่ดูเปรียบเทียบด้วยหลักเหตุหลักผลในเมื่อหลักเหตุผลลงกันได้นั่นแหละยอมรับไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรมาก็เชื่อกูบาอาจารย์น่าเชื่อถือพูดมาก็เชื่อไม่ใชเ่เราต้องมีเหตุมีผล ต้องการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลนั้นๆั้นในเมื่อการกลองไตรตองด้วยเหตุผลแล้วนั่นแหละเรายอมรับพอยอมรับมันําไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วได้เห็นผลนั่นแหะยิ่งฝังลึกฝังหลักแน่นในหลักของพุทธศาสนาอย่างพุทธเจ้าสอนเรื่องสมาธิอย่างนี้นถ้าว่าพวกเราฟังฟังเผินเพื่อย่างนั้นะ แต่พวกเราได้นั่งสมาธิเข้าไปแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบนะโอ้ที่พระพุทธเ จ, จ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังนะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อเราจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเน่งไม่มีอารมณ์เป็นสองนะจิตใจของเราอยู่อยู่ในความสงบมันมีความสุขจริงๆโอ้พระพุทธเ จ, จ้าค้นพบได้ยังไงทำแนวความคิดอย่างนี้นะ แต่เรามีแต่คิดความปุงฟุงซ่านทั้งวีทั้งวันไม่แต่ปวดหัวไม่แต่ทกอยู่ตลอดแต่เมื่ อ, อ, อปิดไม่ให้อารมณ์อะไรเข้ามาเราอยู่ในอารมณ์เดียวจนเป็นหนึ่งได้จิตจนเข้าสู่มิติหนึ่งคือความสงบโอ้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆริง อ, อย่างนี้เรายอมรับด้วยในตัวของเราเองนะลูกหลานนะนี่แหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะ ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้นะหลักธรรมความสอนของพุทธะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับลูกหลานแนวหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อไปอินโดนีเซียก็อย่างที่ได้เรียนให้ลูกหลานได้ทราบหลวงพ่อไม่ได้ภูมิใจอย่างอื่นภูมิใจกับพุทธศาสนิกนชนลูกหลานคนน้อยหนุ่มทั้งหลายเข้ามาสนใจพุทธศาสนา อ, อมากมากพอสมควรตามสายตาของหลวงพ่อนะรับพอในทีนี้เนะ